Thank mm -hmm. you. การเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นของยากยากยังไงพระพุทธองค์เคยเปรียบว่าในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มีเต่าต า, ตาบอ่อตัวหนึ่งร้อยปีจะขึ้นมาที่ผิวน้ำหายใจแล้วก็ในทะเลในมหาสมุทรนั้นเนี่ยมันมีแอกไม้เป็นห่วงคล้ายๆเป็นห่วงไม้เนี่ยนะมี การที่เต่าตาบอดตัวนั้นร้อยปีครั้งโผล่ขึ้นมาจะโผล่มาตรงพอดีกับที่กลางห่วงหรือกลางแอกไม้นั้นเนี่ยลองคิดดูสิว่ามันยากแค่ไหนที่จะมาโผล่พอดีเลยตรงกลางห่วงในมาสมุติกว้างใหญ่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากยิ่งกว่านั้นอีกยากยิ่งกว่านั้น ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่หลายเท่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ของราชแห่งความเป็นมนุษย์ตรงนี้นะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโชคันประเสริฐแล้วไม่ต้องไปหาโชคที่ไหนยิ่งได้มารู้จักพระพุทธศาสนาแล้วได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมถือศีลหรือว่าได้ บวช อ, อุปสมบทนะก็ยิ่งเป็นเรื่องยากเข้าไปใหญ่งั้นเราก็ต้องนะใช้สิ่งที่เรามีเนี่ยให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์การที่คนเราเนี่ยเพียงแค่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แม้แต่เทวดาก็าอิจฉาก็ว่าได้มนุษย์เราเนี่ยในสายตาของเทวดาเนี่ย มนุษย์เาประเสริฐกว่าเทวดาอยู่3อย่างคือมีความกล้าหาญมากกว่ามีสติมากกว่าแล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเทวดาอาจจะเหนือกับมนุษย์เขาว่ามี3อย่างคือได้เสพอาหารทิพย์มีกายทิพย์แล้วก็มีความสุขทิพย์หรือทิพยสุขอันนี้คือสิ่งที่เทวดาเหนือกว่ามนุษย์ อาจจะสำหรับเราเราจะมองว่าเทวดาเหนือกว่าอย่างอื่นด้วยเช่นอิตาล์สามารถบรรดาลอย ไ, ได้ตามใจปราถนาแต่ว่าในสายตาของเทวดาเนี่ยมนุษย์เราเหนือกว่าประเสริฐกว่าเทวดาเนี่ย3มอย่างอย่างที่ว่ามามีความกล้าหารกว่ามีสติมากกว่าแล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมโดยเพราะสองข้อหลังนี่สาคัญมาก เพราะว่าทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตนจนกระทั่งแม้แต่เทวดาก็เคารพเทวดาก็ยกย่องอย่างพระพุทธองค์เนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นยอดมนุษย์ที่เทวดาแม้แต่ชั้นพรมก็ต้องมาก้มกราบคารวะก่อนหน้านั้นเนี่ยมนุษย์เราก็มีแต่ว่านับถือพระพรมนับถือพระอิน นะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์สามารถโดนบันดาลสิ่งต่างๆได้ตามใจปัรถนาแล้วก็มีอายุยืนนานกว่านะอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่ากนะ็คือในสวรรค์แต่ว่าเมื่อบุคคลอย่างเจ้าชาศสิทธัตถะได้ปฏิบัติธรรมจน บรรลุอรหัตผลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาทั้งปวงแล้วก็ต้องมาก้มกราบไม่ใช่แต่พระพุทธองค์องเดียวเท่านั้นนะแม้แต่พระอรหันต์ก็เป็นที่เคารพของเทวดาเช่นเดียวกันเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าในหมู่เทวดาเนี่ยเขาถือว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นโชคถือว่าเป็น สุคติภพของเทวดาก็มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเวลาเทวดาจะจุติจุติคือดับนะไม่ใช่เกิด เ, เวลาเทวดาจะจุติเนี่ยไปสู่ภพภูมิอื่นเนี่ยก็จะมีการอวยพ ร, รว่าขอให้เธอไปเกิดในมนุษย์โลกนะขอให้ปเกิดเป็นมนุษย์นะเทวดาคุยอวยพ ร, รก็อย่างนั้นไม่ได้อวยพรอย่างอื่นเลยเพราะถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์ นะถือว่าเป็นเรื่องยากแการที่ได้เป็นมนุษย์นี้ถือว่าได้สามารถจะทําสิ่งวิเศษประเสริฐกว่าเทวดาได้โดยเฉพาะจะบรรลุทำได้เนี่ยก็มีโอกาสทำในในร่างมนุษย์เนี่ยได้มากที่สุดอันนี้ด้วย น, นี่พระเจ้าเนี่ยถือมาอุบัติขึ้นในในมนุษย์โลกไม่ได้ไปอุบัติที่อื่นไม่ได้ไปอุบัติใน เทวดาในชั้นสวรรค์แต่ว่ามาอุบัติในโลกมนุษย์นี่แหละก็มีแต่โลกมนุษย์นี่แหละที่จะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้มีองค์เดียวมีมาเยอะแล้วด้วยแต่ะพะที่พระพุทธเจ้าองค์เนี้พระโคตมาพุทธเจ้าได้ไปเกี่ยวข้องด้วยในภพชาติต่างๆนี่ก็มีถึง24พระองค์หมายถึงได้ไปทําบุญหรือว่าได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าก็ 24พระองค์มีเยอะพระปัจเจกับพุทธเจ้าอีกก็เรียกว่ามนุษย์ียโลกนี้เป็นเป็นดินแดนที่เหมาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติตนฝึกฝนตนจนกทั่งเป็นยอดมนุษย์เหนือกว่าเทวดาไม่มีที่อื่นน้อยมากนะที่จะมันเกิดขึ้นในภพภูมิอื่นได้แต่ตอนนี้คนเราก็ไม่ค่อย เ, ยเข้าใจนะคนเราก็คิดว่าต้องไปเกิดเป็นเทวดาถึงจะดี คล้ายๆคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคาราวาสก็อยากบวชพระพระก็อยากสืบไปเป็นคาราวาสแต่ที่จริงมันมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรายังไม่ได้ตระหนักว่ า, าการมาเกิดเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะคนที่มีอาการ32ครบนี่เราได้ลาบเราได้โชคกันประเสริฐแต่ก็ไม่เห็นยังอยากจะเป็นเป็นเทวดา ก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากจะไปเป็นเทวดาวก็ทำความดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้อย่างนั้นนะเราอยากจะทำความดีเพื่อให้เทวดาวมาช่วยเราอันนั้นก็ยังดีนะเพราะยังได้ทำความดีบ้างนะทำความดีแล้วอยากให้เทวดาวมาช่วยก็ยังถือว่าดีที่ได้ทำความดีแต่ระยะหลังนี้มันหนักข้อยิงกว่าเดิมนะก็คือไม่ต้องทาความดีแล้วก็แค่ซื้อ จตุคามรามเทพมาหรือแค่ซื้อวัตถุมงคลซื้อให้ถูกรุ่นนะซื้อให้ถูกถูกที่เช่นถ้าจะซื้อจตุคามก็ต้องไปซื้อที่โน่นนครศรีธรรมราชถ้าซื้อถูกรุ่นซื้อถูกที่นะเดี๋ยวเท ว, วดาจะช่วยเองตอนนี้มันแย่แล้วคือไม่ต้องทําความดีแล้วแค่มีเงินเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้มันมันหนักกว่าเมื่อก่อนเพราะว่า มันอยู่ในยุคบริภคนิยมคืออะไรก็อยากได้ขอให้รวยนะขอให้มีเงินแม้แต่จะเข้าวัดก็เข้าวัดเพื่อจะได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือมีเงินเยอะๆ เ, เคยไปเห็นเป็นภาพนะเป็นภาพติดใส่กรอบมีพระสงฆ์สามองค์หลวงพ่อชอบหลวงพ่อเงิน แล้วก็หลวงพ่อสดติดเลียงเลียงกันเสร็จแล้วก็ข้างใต้ภาพก็เขียนคําว่าชอบเงินสดตกลงเอาว่าคนที่ทําภาพนี้เนี่ยหรือกราบไหว้ภาพนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากราบไหว้หลวงพ่อชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดหรือว่าชอบเงินสดกันแน่เดี๋นี้เรากราบไหว้พระบูชาพระก็เพราะเราอยากได้เงินสดนะอยากได้ลอตเตอรี่ หลวงพ่ออื่นไม่เอานะต้องเอาหลวงพ่อชอบเอาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดมาเรียงกันเดี๋ยวนี้เราบูชาเงินนะไม่ได้บูชาพระสุปฏิปันโนคือบูชาพระสุปฏิปันโนก็เพื่อจะได้มีเงินสดไหลามาเทมาเยอะๆอันนี้แหละเนี่ยเป็นความหลงนะของคนเราที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เงินนะที่มีค่าไม่ใช่อะไรที่มีค่าชื่อเสียงกิติยศแต่ว่า อยู่ที่การได้เป็นมนุษย์และทําความดีนะเพราะเป็นมนุษย์นี่สามารถที่จะบรรลุรำขั้นสูงสุดได้จนถึงเป็นพระอรหรันต์บุดพ้นจากทุกข์ได้เคยมีมารเนี่ยมันม า, มาล่อลอก อ, อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าจิตตคขาบดีจิตตคขบดีนี่เป็นเป็นอุบาสกที่เลือกเป็นยอดนะ ถ้าในฝ่ายชายก็ติตะขาบดีถ้าฝ่ายหญิงก็นางวิสาขาติตะขาบดีก็เป็นผู้ฝ่ายทำแล้วก็แต่ว่ามีคารก็ป่วยหนักนะมานก็มาบอกว่าเมื่อป่วยนี้คอยตั้งความหวังไว้ชาตินาไปเป็นจกักรพรรดิมารมามาร่อมาหลอกว่าชาตินานี้ให้ตั้งความหวังไว้เป็นจกักรพรรดินะเพราะว่าติตะขาบดีเป็นคนทำทำบุญไว้มาก ให้ตั้งเจิตติฐานไปเลยตายไปคอยไ้เกิดเป็นจกักรพัทนะจิตตะาบุตรีบอกไม่จะมุ่งนิพพานเลยเพราะว่านิพพานนี่มีค่ากว่ากว่าการเป็นจกักรพัทอันนี้เป็นคติของชาวพุทธนะที่เห็นว่านะมันไม่มีอะไรประเสริฐนี่กว่าการที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เพื่อเพื่ออำนาจ ไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าถึงเป็นจกักรพรรดิก็ทุกได้เป็นจกักรพรรดิก็ทุกได้กลุ่มอกกลุ่มใจก็ได้มีจกักรพรรดิหลายคนที่ถูกฆ่าเพราะว่าลูกเนี่ยมันโมโหโมโหเพราะว่าไปยกสมบัติให้คนอื่น<ม>อย่างจะมาไปพมา่ามาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีกษัตริย์พม่าหลายองค์เลย นะไม่ว่าที่หงสวดีหรือว่าที่ที่มันเดเลหรือว่าที่พุ ก, กามนะหรือพม่านี่มีเมืองหลวงหลายมเมืองเยอะมากมาเยอะกว่าเมืองไทยสิเมืองไทยก็มีแค่สาเสี่นั่ะคือสุขโขทัยอยุธ ย, ยาชนบุรีกรุงเทพรัตนโกสินทร์พรม่านี่เยอะไปหมดนะย้ายเมืองหลวงกันอยู่เรื่อยนี่ก็ย้ายไปแล้วเนปิดอจากย่างกุ้งไปเนปิดอคนยังจําชื่อไม่ได้เลย 菩萨พม่าหลายองค์เนี่ยตายเพราะลูกเนี่ยฆ่าเรียกว่าทำปิตุฆาตลูกฆ่าพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยไปยกสมบัติให้ลูกคนอื่นนะลูกเลยฆ่าซะเลยแบบที่พระเจ้าพิพิสารโดนราชสตรู่ฆ่าหรือแบบที่ที่คนสร้างทัชมาฮาลชาชาหานถูกลูกเอารังเซ็ปฆ่าจับไปขังจนตายในรังกาก็มีเนี่ย เนความทุกข์ของคนเป็นกษัตริย์นะก็คือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยคิดว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายก็หนีภัยใกล้ตัวไม่พ้นกษัตริย์ในป่า น, นี้ก็ตายกันยกกลัวเพราะว่าไ ม, ไม่รู้ลูกหรือว่าน้องชายข่าเป็นกษัตริย์เป็นจกักรพรรดิก็ยังมีความทุกข์แม้แต่เป็นอยากเป็นเทวดาก็มีความทุกข์ท่านผู้เรานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอให้ราลึกว่า ที่ได้เป็นอยู่ทุกวันนี้นะแม้จะจนแม้ว่าอาจจะร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีเป็นไปตามวัยแต่ว่าเราก็ยังมีสิ่งดีๆอีกเยอะที่เราทำได้โดยเฉพาะการที่ประคองรักษาสติและทำความดีรักษาศีลให้ทานอย่างเดียวก็ไม่พอนะรักษาศีลแล้วก็ทำเป็นภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละ ถ้าเราทำเนี่ยแม้แต่เทวดาก็ต้องเคารพในสมัยสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ ย, เ, ยเคยบำเพ็ญธรรมจนกระทั่งพระอินทร์ต้องมามาทำไมมาแสดงความเคารพแล้วก็มาเสนอว่าจะให้พรพิเศษสีข้อจะให้ทำอะไรบ้างต้องการอะไรนี่พระอินทร์จะเสกจะบันดาลให้ได้นะ สี่ข้อเราลองนึกดูว่าโอ้ถ้าเรามีความสามารถที่จะในเลมิตอะไรก็ได้เทวดาจะในเลมิตให้สี่อย่างเราจะเลือกอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันมีความอยากเยอะเลยอยากรวยหรือว่าอยากให้ลูกฟื้นหรืออยากให้ไม่แก่อยากให้ได้เมียสวยๆหัวรอๆหรือว่าอยากจะมีอำนาจไอ้ความอยากคนเรานี่มันเยอะกว่าสี่ข้อนะ ทีแรนึกว่าข้อเดียวก็พอสองข้อก็พอแต่จริงๆโอ้ยมันเยอะไปหมดเลือกไม่ไหวนะไม่รู้จะเลือกข้อไหนดีเพราะมันมีต้อง1 0 2ยข้อสำคัญทั้งนั้นต่ไปถามพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นฤาษีบำเพ็ญตะบะพระฤาษีบอกว่าไม่เอาสักข้อเลยที่จริงท่านบอกเอาเอาข้อหนึ่งคือว่าขอให้ท่านไม่ต้องมารบกวนเราต่อไปเพราะว่าจะมาทาให้เราประมาท ไม่พึ่งความเพียรของตัวเองมีพระโพธิสัตว์พูดอย่างนี้เลยนะขนาดเทวดา ม, มาเนี่ยต้องการอะไรก็ได้สี่อย่างนี้ได้ทั้งนั้นจัดให้ได้เลยพระโพธิสัตว์บอกท่านอยามาเลยเนี่ยขอข้อเดียวท่านอยามาเลยเราต้องการพึ่งตัวเองถ้าท่านมาแล้วจะทําให้เราเนี่ยหวังพึ่งท่านแล้วความเป็นมนุษย์นี้ประเสริฐตรงที่ว่ามีความสามารถที่จะพึ่งตนได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นภพที่จะมาสวย วิบากหรือว่าผลแห่งกรรมอย่างเดียวเพราะพืนนี่เรียกว่าสเสวยอย่างเดียวสเสวยผลที่ทําไว้ในอดีตชาติแต่ว่ามนุษย์นี่เราไม่ใช่แค่เกิดมาเพื่อรับกรรมนะคนไม่เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อรับกรรมหรือเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้มันผิดนะเพราะว่ายังเกิดมาเพื่อสร้างกรรมเกี่ยกรรมดีหรือกรรมชั่วก็อยู่ในการเลือกของมนุษย์ผู้ฉลาก็จะสร้างกรรมดีก็คือขยันมันเพี้ยนนะมีความเพียนเป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้ง แต่ว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เรานี่ไม่ต้องการพึ่งความเพียรแล้วเราเอาแต่ขออย่างเดียวนบนบานสายกล่าวเทวดาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลต่างๆมนุษย์เราคนเราเดี๋ยวนี้กำลังทับถลำไปในทางที่ที่เป็นความหลงมากขึ้นแม้แต่ชาวพุทธเราก็ถล่เข้าไปอย่างจตุคมามรามเทพนิโ o เป็นยอดปาถนานะ เมื่อปีที่แล้วนี่ยใครๆก็กระตุกขามทั้งนั้นนะแต่ตอนนี้ก็หมดละเพราะก็รู้ว่ามันขออะไรไม่ได้มันต้องทําด้วยความเพียงของเจ้าของเองพระชาพูดเนี่ยที่แท้เนี่ยคือผู้ที่พึ่งความเพียงของเจ้าของอย่างพระมาชนกนี่ก็เป็นตัวอย่างเรือแตกกลางทะเลใครๆก็ร้องขอใเทวดามาช่วยแต่พระมาชนกตอนนั้นเป็นพ่อค้า เรียกว่าเป็นพระพรานนี่ก็เรียกด้วยความยกย่องแต่จริงๆคือมหาชนุกเป็นพ่อค้าก็ไม่สนใจไหว้เข้าฟังอย่างเดียวมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ไหว้มีแค่เศษไม้เกาะไม่ได้เรียกร้องเทวดาให้มาช่วยไม่ได้บนบานสายกล่าวอะไรทําอยู่นี่จุดเจวัน7จคืนจนกระทั่งนางมดีเมฆขลาเป็นเทพรักษาสมุทรต้องมาช่วยนางบดีเมฆขลาก็ถามว่าทำไมาพระมหาชนก ไม่ลองขอเทวดาให้ช่วยมาชนกก็บอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นะต้องทําความเพียรดังอย่างถึงที่สุดจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่สําคัญต่บว่าได้ทําเมื่อทําแล้วนะก็ก็ไม่เสียดายที่ได้ชื่อเป็นมนุษย์ทําความเพียรโดยเพราะทําความเพียรในทางที่ดีอันนี้แม้แต่เทวดาก็ต้องเคารพ บ, บางทีเทวดาเนี่ยก็สูความเพียรของมนุษย์ไม่ได้จะมีเรื่องเล่าวในพระไตรปิฎกอีกว่า มีการทำศึกสงครามกันพระราชาฝ่ายหนึ่งก็ไปให้ฤาษีซึ่งติดต่อกับพระอินได้ไปถามดูเสีว่าสงครามครั้งนี้ใครชนะเราจะชนะหรือเปล่าฤาษีก็ไปติดต่อพระอินพระอินบอกว่าฝ่ายท่านจะชนะพอพระราชารู้แบบนี้ก็เลยใจเย็นไม่ได้เตรียมรีพลไม่ได้ฝึกฝนกำลังคนเท่าไหร่ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพอรู้ว่าเขาจะแพ้เขาก็เตรียมตัวใหญ่เลยฝึกปือทหารวางแผนอย่างดีเตรียมตัวมาจงกระทั่งพอถึงเวลาก็สู้รบ ก, กันปรากฏว่าฝ่ายหลังชนะฝ่ายที่เทวดาหรือพระอินทร์บอกว่าจะชนะแต่กลับแพ้พระราชาก็เลยไปด่าว่าฤาษีฤาษีก็เลยไปไปตาหนิพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่า ความพยายามของมนุษย์นี้แม้แต่เทวดาก็กีดขวางไม่ได้คือแม้แต่จะไปเส้นสูงเทวดายัางไงก็ตามนะว่าขอให้ฉันช น, นะแต่ถ้าไม่ทําความเพียรมันก็ซวยฝ่ายหนึ่งซึ่งมีความเพียรไม่ได้และความเพียรที่ดีต้องเป็นความเพียรในการปฏิบัติธรรมนะถ้าเพียรในทางอื่นเพียรในทางลักขโมยมันก็ไปไม่รอดต้องเพียรในเรื่องการทําความดี ทานรักษาศีลการบําเพ็ญภาวนาเมื่อทําเช่นนี้แล้วเทวดาก็ต้องยอมเทวดาก็ต้องเชื่อฟังถ้าเทวดาเชื่อฟังมนุนนุนี้ก็มีนะจากอนาถปิณฑิกาเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมากนะจนกระทั่งเป็นภาริยบุคคลแต่ท่านก็ชอบในการให้ทานให้ทานขณะที่เรลวเอาทองนี่แหละมาปูเพื่อซื้อที่สร้างวัดเจตวัน ท่านก็ให้ทานมีลงทานเยอะม า, มากจนในสุดอยากจนลงไปเทวดาที่มาอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูในบ้านของอนาถปิฎิกะเทวดานี่มาเองนะอนาถปิฎิกะไม่ได้มาเชิญไม่ได้มาตั้งสารพ่อภูมิให้เทวดามาเองเทวดาก็มามาบอกว่าต่อไปนี้อนาถปิฎิกะไม่ต้องให้ทานแล้วให้ทานแล้วเดือดร้อนไม่ต้องให้เทวดาคงอยากอยากจะเห็นอนาถปิฎิกะรวยมั่งคั่ง ว่าตัวเองจะพอได้รับอา น, นุสงฆ์ด้วยเทวดาก็โลภนะอันเทวดาก็เห็นแก่ตัวอันนัศนพิณิกาได้ญิงก็เลยไล่เทวดาไปเลยบอกท่านไปได้เลยนะไปไกลๆไล่ออกไปจากบ้านตนะอนทัศนพิณิกานี่ไล่ได้นะไม่กลัวเพราะเชื่อมันในความดีที่ตัวองได้ทําเทวดาก็สำนึกผิดนะในสุดต้องไปขอให้พระพรหมมาเจรจา กับอาจาระปินิกาเศรษฐีบอกเขากลับมาอยู่ได้ไหมมาสารภาพบาปสารภาพผิดอันนี้จะได้ว่าในเรื่องเล่ า, บบ เ, าเหล่านี้เนี่ยถือว่าชาวพุทธเราเนี่ยเราไม่ได้พึ่งพาอาศัยเทวดาเทวดาถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์แต่ว่าถ้ามนุษย์เราทําความดีมีความเพียรตั้งมันอยู่ในธรรมมนุษย์เราก็สามารถจะอยู่สูงอยู่เหนือกว่าเทวดาได้มันก็เหมือนกับว่า นกเนี่ยบินได้สูงกว่านกนี่ก็อยู่สูงกับมนุษย์เราเนะนกแต่ละตัวแต่ละตัวนี่มันอยู่สูงกับเราทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อเรามีความเพียรนะเราก็สามารถสร้างเครื่องบินหรือว่าสร้างบอลลูนให้สามารถอยู่เหนือนกได้อันนี้อยู่ที่ความเพียรของมนุษย์ถ้าพูดถึงทุนเดิมเนี่ยมนุษย์เราต่ำกว่าเทวดาแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ที่ว่ามีทุนเดิมเท่าไหร่แต่ว่าใช้อย่างไรด้วย มีเท่าไรหรือมีอะไรไม่สําคัญทั้ว่ามีอย่างไรหรือใช้อย่างไรมนษย์เรามีทุนเดิมอาจจะสู้เทวดาไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาทุนที่มีแหละก็คือการมีสติมีปัญญามีความกล้ามีความเพียรแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเราก็สูงกว่าเทวดาได้เมื่อกระต่ายกระเต่านะทุนเดิมของกระต่ายนี่มันมันดีเต่าอยู่แล้วตานี่วิ่งได้เร็วกว่าเต่า จำได้บ่นิทานอีศโลนกกระตายกระเต่าทุนเดิมของเต่าเนี่ยมันสู้กระตายไม่ได้แต่ถ้ากระต่ายมีความเพียรน้อยกว่าเต่าถ้ากระต่ายประมาทเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าอันนี้ก็อาจจะแพ้เต่าได้เต่าเดินช้าทุนที่ได้มาเป็นเรีย่มีต้นทุนต่ำแต่ว่าทำเต็มที่ถึงแม้มีขาสี่ขามันตุ่มเตี้ยมเตียมแต่ว่าเดินไม่หยุด ก็ชนะกะตายได้นูเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเกิดมาเราอาจจะเหมือนกระเต่านะสู้กะตายไม่ได้แต่ว่าถ้าเราทำความเพียรเราก็ชนะกะตายคือชนะเทวดาอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนให้เราชาวพุทธเนี่ยเข้าใจาว่ามนุษย์เหล่านี้จะไปพึ่งพาเทวดามนุษย์เราไม่ใช่ว่าด้อยกว่าเทวดาเราสามารถพัฒนาตนได้แต่ว่าคนสมัยนี้แม้แต่ชาวพุทธก็ไปหลงงมงาย เพราะว่าเป็นท่าของความอยากเป็นท่าของความโลภแล้วก็รักสบาย mm. ก็เลยกลายเป็นประเภทหวังรับร่อยคอยโชคนิยมทางรัฐเดีย๋ยวนี้คนไทยเป็นอย่างนี้หวังรับปล่อยคอยโชคเพราะว่ามันขี้เกียจรักสบายเรียนหนังสือก็ไม่อยากเรียนอาศัยทางรัฐถ้าสอบไม่ดีก็ไปขอเจรจากับครูขอให้เพิ่มเกรดบางทีก็เอาของหวานไปให้อย่างนี้หนักนะเอาตัวเป็นแลกกับเกรดนะ เพื่อให้ได้คะแนนดีๆ น, นี้เราอทางรัดหรือว่าอยากรวยก็ไม่ข ย, ยันนะเล่นไพ่เล่นการพ น, น, านันแทงหวยเพื่อมันจะได้รวยเร็วๆบ้างก็หวังลมๆแรงๆคราวนี้แทงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าก็ทํำยังไงก็ไปหาพระทําบุญเพราะคิดว่าถ้าทำบุญมากๆเดี๋ยวบุญก็จะส่งให้ถูกหวยหรือไม่ก็ไปบนบานสายกล่าวเทวดา ไปซื้อพรับิคเนตไปซื้อจัตุคามรามเทพมาพวกนี้รวยทางรัฐหวังด้วยทางรัฐทั้งนั้นลําก็เลยงมงายงมงายคือไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่ว่าความโลภอันนี้เป็นยุคเรียกว่ายุคบริโภคนิยมคือคิดว่าความสุขเกิดจากการมีเงินความสุขเกิดจากการมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคและบริโภคนิยมเนี่ยกับไสยศาสตร์มันไปด้วยกันจากรวยจะขิเกียจทํำยังไงก็ต้อง พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาน้ำหมุนน้ำมนตพึ่งพาวัตถุมงคลพึ่งพาพระราวหูมันนอกศาสนาพุทธกันไปเยอะแล้วตอนนี้เนะี่ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าแทงหวยไม่ถูกเล่นการพนันก็แพ้เสียเงินทำยังไงเป็นหนี้ก็ใช้ทางลัดต่อคือว่าปล้นโกงเดี๋ยวนี้การโกงนี่เป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งในหมู่บ้านในตำบลบางทีก็แพ้เข้ามาถึงในวัด โกงกันหลายรูปแบบนี้ผ้านี่โกงข้อสอบกันก็ทํากันทั่วไปนะเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วนี่ก็ทางรัดอีกแบบหนึ่งผ้าก็เป็นกันโกงเงินก็มีกันเยอะนะถ้าโกงไม่ได้ก็ป้นฆ่ากันไอ้พวกนี้ก็เป็นทางรัดเหมือนกันเรนนี้หวังรับรอยคอยโชคนิยมทางรัดนี่มันทำให้บ้านเมืองเต็มไปด้วยปัญหาแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยมีความเชื่อในะอย่างที่พูดมา ถึงแม้ว่าจะเชื่อว่ามีเทวดาเครข้าาจะบอกว่างมงายเป็นมงไงไปช่วยเรื่องเทวดาอันนั้นไม่ไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าเชื่อว่ามีเทวดาแต่ว่าไม่พึ่งพาเทวดาเนี่ยพึ่งความเปลี่ยงของตัวเองอันนี้ดีกว่าดีกว่าพวกที่ไม่เชื่อเทวดาก็เลยทําความชั่วได้ถนัดเช่นจะตัดไม้ทํำลายป่าเพราะไม่กลัวเทวดาอาลักเดี๋ยวนี้เราบอกว่าเรามีความคิดแบบวิทยาศาสตร์แต่ยิ่งคิดแบบวิทยาศาสตร์มันยิ่งทําชั่วได้ง่ายเพราะว่ามันไม่กลัวบาปกลัวบุญ มันไม่กลัวเทวดาไม่กลัวเลยเลยจะทิ้งของรูแม่น้ำก็ไม่กลัวไม่กลัวว่ามันผิดผีอย่างที่สมัยก่อนที่หลวงพอ่อเข็นเล่าขนาดเป็นเด็กๆนี่จะเอาเท้าเตะน้ําใส่วัวใส่ควายให้มันเย็นเตะ น, น้ํานี่เขายังผิดผีเลยหรือว่าจีนในน้ําเนี่ยไม่ได้เพราะเรามีความช่วยเหลือผีเราก็เลยกลัวแล้วก็เลยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม แต่เนนี้พอไม่มีความเชื่อแบบนี้เพราะเราคิดว่าเราฉลาดเราเป็นวิทยาศาสตร์เราก็เลยทิ้งขยะทิ้งสารเคมีแล้วก็ทิ้งแม้กระทั่งขี้เนี่ยส้วมสูบส้วมแล้วก็ไม่รู้ไปปล่อยที่ไหนก็ไปปล่อยในน้ำเนี่ยมีน้าบนหลังเทาเนี่ยเดินธรรมยาตามาเนี่ยเจอหลายหมู่บ้านแล้วเอาขี้ที่สูบจากส้วมนี่แหละไปปล่อยในลําปะทาวหรือใกล้ๆลําปะทาวพวกเนี่ยไม่เชื่อเรื่องนี้ก็เลย กลายเป็นภ้าของกิเลสไปเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรไม่สําคัญเท่ากับว่าเชื่ออย่างไรเชื่อว่ามีผีมีเทวดาแต่เชื่อแล้วเนี่ยทาความดีพึ่งความเพียรของตัวเองไม่ไปหลงติดอยู่ในอบายมุขอันนี้ดีดีกว่าเชื่อแบบวิทยาศาสตร์แต่ว่ากิเลสครอบกรรมไปหลงติดกับเตยุกับวิทยาศาสตร์จนกรทั่งไม่กลัวบาป ก, กลัวบุญเลยมันก็ทําให้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แล้ว แต่ถ้าชื่อเทวดาแล้วก็พึ่งพางมงายกับเทวดานี่ก็ไม่ดีนะให้ถือว่าต่างคนต่างอยู่มัน่อเรามีหน้าที่ทําความดีก็ทําไปส่วนเทวดามีหน้าที่ช่วยคนก็ช่วยไปแต่ถ้าเขาไม่ช่วยก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปโวยวายว่าทําไมฉันทําดีทําไมเทวดาไม่ช่วยอันนั้นเป็นเรื่องของเทวดาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราทําความดีเรื่อยไปไม่สนใจไม่สนใจคนอื่น ไม่เรียกร้องความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วเขามาช่วยก็อนุโมทนาขอบคุณแล้วก็ไม่ช่วยก็ไม่ไปว่าเขาแล้วก็ไม่น้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาทําความดีเรื่อยไปมันจะเจ็บจะป่วยจะยากจนยังไงเอ้าเราไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บป่วยไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรามีธรรมะแล้วไม่มีปัญหาถ้าใจเราไม่มีความโกรธไม่มีความโลภแล้วมันก็สุขได้ ก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะพระโพธิสัตว์นี่แหละมาเกิดเป็นฤาษีนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ทําความดีมันก็เรื่องแรกที่พูดมาพระอินทร์ก็มาบอกว่าจะให้พรสีประการจะขออะไรจะจัดให้ฤาษีขออะไรขอหนึ่งไม่โลภสองไม่โกรธสมไม่มีโทสะสี่ไม่มีความยึดติดขอสอย่างเอวดาให้ได้ไหมขอ4อย่างนี้แหละไม่ได้เอาทรัพย์ไม่ได้เอาชื่อเสียงไม่ได้เอา อำนาจเอานี่แหละไม่โกรธไม่โมโห О, ไม่โลภไม่ยึดติดท่านเรียกว่าไม่มีสเสน่หาเขาขอตรงนี้แหละแน่ใจได้เลยมีความสุขไม่มีทุกข์เลยเพราะสุขหรือทุกข์คนเราเกิดจากเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยยังมีใครขอกันนะไม่ขอแต่ว่าขอให้รวยขอให้หายป่วยขอให้ถูกลอตเตอรี่นะขอให้เงินเดือนขึ้นขอให้สอบได้ให้พวกนี้ถึงแม่สาเร็จนะมันก็ยังทุกข์นะ ถึงมีเงินก็ยังทุกข์ที่ป่วยถึงป่วยก็ยังทุกข์เพราะว่าลูกติดยาหรือว่าเมียมีชู้มันมีโอกาสที่จะทุกข์ได้ร้อยแบบถึงแม้จะว่าจะบรรลุผลเพราะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจเถ้ดว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมนะอันนี้เป็นสุดยอดแล้วนะขอให้เราพึ่งพาธรรมะพึ่งพาความเพียรของเจ้าของ